ตสสััธตตรงนี้ก็เป็นพระคันธกุดีของพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเวลาอยู่ที่เมืองราชคลื่ก็มาประทับอยู่ที่นี่เป็นประจำหรือไม่ก็บางทีก็ประทับอยู่ที่เวรุวันอันนี้ก็เป็นสถานที่สําคัญอีกที่หนึ่งที่ทําให้เรานึกถึงพระพุทธเจ้านะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกพระองค์ก็เป็นประดุจแสงสว่างเกิดขึ้นมาในโลกก็เหมือนกับ แสงสว่างคือดวงอาทิตย์เมื่อโผล่ขึ้นมาจากฟากฟ้าก็ให้แสงสว่างถ้าไม่มีดวงอาทิตย์ขึ้นมามันก็มืดอันนี้เปรียบเทียบแบบชาวโลกทั่วไปนะแต่พระพุทธเจ้าก็สว่างยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกก็คือถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเราทั้งหลายก็ใช้ชีวิตอย่างมืดบอดใช้ชีวิตไปด้วยความไม่รู้ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร ก็ทำต่อมันไม่ถูกต้องก็ต้องเป็นทุกวนเวียนแล้วก็มีปัญหากับสิ่งนั้นสิ่งนี้วนเวียนกันไปแต่พอมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกพระองค์ก็มาให้แสงสว่างนะเมื่อมีแสงสว่างความมืดก็หายไปนี่เราทั้งหลายก็ทำานองเดียวกันเมื่อได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามาฝึกฝนเพื่อที่จะได้สว่าง เราไม่ต้องไปตังเกียจความมืดเพราะว่าเราทั้งหลายนั้นอยู่กับความมืดมานานแล้วเพียงแต่ใส่แสงสว่างเข้าไปเมื่อมีแสงสว่างก็ไม่ต้องไปถามว่าความมืดมันไปที่ไหนหรือว่ามันอยู่ที่ไหนเพราะว่าไม่มืดแล้วตัวความสว่างตัวความรู้อันนี้ท่านเรียกว่าพุทธะอันแท้จริงแพระพุทธเจ้าที่ได้ชื่อว่าพุทธะเป็นชื่อ ตามคุณธรรมของพระองค์อันนี้ก็เพราะว่าพระองค์มีปัญญามีความรู้มีความสว่างรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งนั่นเองเราทั้งหลายก็เหมือนกันก็สามารถเป็นพุท ธ, ธะได้เหมือนกันจากการฝึกฝนให้เข้าใจโลกให้เข้าใจความจริงให้เข้าใจตัวเองเข้าใจกายเข้าใจใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็จะเข้าใจคนอื่นเข้าใจโลกเข้าใจสากลจักรวาลทั้งหมดอย่างแจ่มแจ้งไปด้วย ตัวความเข้าใจอันนี้แหละเขาเรียกว่าพุทธะผู้ที่เข้าใจก่อนแล้วก็มาบอกโดยมีปัญญามากสามารถค้นคว้าด้วยตัวเองท่านเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะคือพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองส่วนพวกที่ท่านรู้แล้วผู้ที่ท่านรู้แล้วแต่ว่าไม่สามารถบอกคนอื่นได้ก็เรียกว่าปัจเจกพุทธะส่วนเราทั้งหลายได้ฟังพระพุทธเจ้ามาแล้วก็เอามาฝึกฝนจนกระทั่งเกิดปัญญา ได้รู้อย่างนั้นบ้างตามกําลังของตนของตนก็เรียกว่าสาวกะพุทธะหรือว่าอนุพุทธะผู้ที่รู้ตามพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของท่านเป็นผู้ฟังฟังแล้วก็เดินตามที่ท่านบอกเอาไว้เดินตามหนทางที่ท่านบอกเอาไว้ก็ได้เป็นพุทธะเหมือนกันแต่เป็นพุทธะคนละแบบนะอย่างเราทั่วไปก็เป็นสาวกเรียกว่าสาวกะพุทธะหรือว่าเป็นผู้รู้ตาม เรียกว่าอนุพุท ธ, ธะนะเรารู้อะไรละ่ะก็รู้สิ่งที่มันเป็นจริงรู้จากว่าอะไรเป็นอะไรอย่างถูกต้องอย่างแท้จริงเพราะว่าสิ่งต่างๆมันก็เป็นจริงของมันอย่างนั้นอยู่เรามาฝึกฝนเพื่อให้มีดวงตาได้มองเห็นมันแต่ตอนนี้เราทั้งหลายนั้นดวงตามันมืดบอดอยู่ยังไม่เป็นพุท ธ, ธะเต็มไปด้วยทัศนคติอุดมกติเต็มไปด้วย อคติเต็มไปด้วยทุลีคือกิเลสเต็มดวงตาเราฉะนั้นเวลามองอะไรก็มองเหมือนคนใส่แว่นตาดํามองอะไรก็มืดหรือว่ามองไปก็เห็นแต่มุมมองตามที่ตนเองคิดเอาตามที่ตัวเองนึกเอาเหมือนกับใส่แว่นสีต่างๆกันบางคนใส่แว่นสีแดงๆมองโลกก็ออกแดงๆบางคน รู้กายรู้ใจตนเองรู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกรู้ว่าเดินไปเดินมารู้ว่าสุขรู้ว่าทุกข์รู้ว่าเกลียดรู้ว่าวิตกกังวลรู้ว่าสบายใจไม่สบายใจรู้ว่าสงบรู้ว่าฟุ้งซ่านรู้ว่าเบื่อรู้ว่าซึ่งรู้ว่างงอย่างแจ่มแจ้งนะการที่เรามาฝึกกันแท้จริงก็คือฝึกเพื่อเป็นผู้รู้เมื่อรู้ก็จะตื่น ตื่นก็จะเบิกบานแปลว่าได้เป็นพุทธะอีกคนหนึ่งนั่นเองฉะนั้นความรู้ที่เยอะๆความรู้ที่รู้เข้าใจสิ่งทั้งหมดนั้นมาจากไหนก็มาจากรู้ทีละน้อยทีละน้อยนั่นแหละนะที่ได้พยายามบอกท่านทั้งหลายให้รู้รู้กายรู้ใจตนเองรู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออกรู้ว่าเดินไปเดินมา รู้ว่าสุขรู้ว่าทุกข์รู้ว่าเกรียดรู้ว่าวิตกกังวลรู้ว่าสบายใจไม่สบายใจรู้ว่าสงบรู้ว่าฟุ้งซ่านรู้ว่าเบื่อรู้ว่าซึ่งรู้ว่างงเหล่านี้ก็เป็นรู้ทีละน้อยทีละน้อยแล้วมันก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะรู้เยอะๆก็มาจากรู้ในน้อยนั่นแหละรู้ในน้อยรู้บ่อยๆรู้ไปเรื่อยมันก็รู้มากขึ้นมากขึ้น เราไม่ต้องไปรังเกียจความมืดไม่ต้องไปรังเกียจกิเลสการที่เราได้รู้จักกิเลสได้รู้จักความมืดได้รู้จักอันตรายต่างๆก็แสดงว่าเราเริ่มพ้นจากอันตรายอุปมา ก, ก็เหมือนกับว่ามีทางที่มืดสนิทมีงูอยู่วิ่งอยู่ในหนทางนั้นงูนั้นเป็นงูพิษถ้าเราเดินไปในความมืดแล้วทําท่าเป็นไม่เห็นงูก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีงู งู ม, มันก็พร้อมจะฉกัดเราเอาได้แล้วก็ประสบความทุกข์ปางตายหรือว่าตายไปจริงๆก็ได้เหมือนเราใช้ชีวิตไปด้วยความไม่รู้ไม่รู้ว่าตนเองมีกิเลสตรงไหนไม่รู้ว่าตนเองมีความเครียดความมิดตกงังวลไม่รู้ว่าตัณหากิเลสพาเราไปทํานั่นทํานี่ยังไงเราไม่รู้ก็เหมือนกับว่าเราเดินไปในความมืดไง ถึงจะมองไม่เห็นว่าไม่มีงูไม่มีอันตรายแต่ก็มีอันตรายอยู่เสมอทีเดียวอันนั้นแสดงว่าดวงตาหรือว่าแสงสว่างของเราไม่มีแต่ทีนี้ถ้าเราฝึกฝนให้เป็นคนมีความสว่างคอยรู้ตัวเข้าไว้รู้ว่าตนเองมีกิเลสมีความโลภความโกรธความไม่พอใจมีความอิจฉ้าอะไรต่างๆอย่างนี้ก็เหมือนกับเราเดินไปในหุนทางนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เรามีไฟฉายหรือว่ามีไฟสว่างขึ้น เดินไปในถนนก็มองเห็นงูมองเห็นกิเลสต่างๆในตัวเองเนะเวลาเรามองเห็นงูเราก็จะปลอดภัยจากงูเพราะว่าเราคงไม่เดินไปให้งูกัดเราต้องปล่อยให้งูมันเดินไปก่อนมันวิ่งไปก่อนเราจึงเดินทางไปฉะนั้นการที่เราใช้ชีวิตด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจได้เห็นว่าตัวเองมีกิเลสอย่างนี้จึงมาทําอย่างนี้ตัวเองมีความอิจฉาตัวเองมีความโกรธ มีความพอใจไม่พอใจมีกิเลสชนิดต่างๆเราก็จะปลอดภัยจากมันยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งเห็นมากเท่าไหร่ก็ยิ่งจะปลอดภัยมากขึ้นไปเท่านั้นเพราะว่าเราจะได้ไม่หลงไปทาตามมันไม่หลงไปถูกมันหลอกบ่อยๆแล้วก็เป็นทุกข์วนเวียนกันอยู่บ่อยๆ อ, อันนี้เป็นคุณประโยชน์ที่พระพุทธเจ้าท่านได้ให้อวประทานเอาไว้ก็คือแสงสว่าง หน้าที่ของเราก็คือมาฝึกฝนให้ได้ดวงตาอันนี้ให้ได้ความสว่างอันนี้ไม่ต้องไปหลอกตนเองว่าตนเองไม่มีกิเลสตนเองดีแล้วอะไรอย่างนั้นไม่ต้องไปหลอกตนเองอย่างนั้นถ้าเราดีจริงหรือว่าเราเป็นคนเลิ่อเลออย่างที่เราหลอกตนเองเอาไว้หรือว่าอย่างที่คนอื่นบอกเราเอาไว้อันนั้นถ้าเป็นจริงอย่างนั้นเราก็คงจะไม่ต้องเป็นทุกข์แล้วเราก็คงจะพ้นทุกข์ไปนานแล้วที่เรายังต้องวนเวียนอยู่ ใช้ชีวิตเครียดบ้างวิตกกังวลว่างเป็นทุกข์กับเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างก็แสดงให้เห็นว่าการใช้ชีวิตของเรายังมีความผิดพลาดอยู่ยังมีความไม่รู้บางสิ่งบางอย่างหรือว่ายัางไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอย่างแท้จริงนั่นเองแย่งเราจึงต้องมาฟังพระพุทธเจ้านะมีพระพุทธเจ้ามาอุบัติขึ้นก็มีประโยชน์อย่างนี้แหละคือพระองค์จะได้บอกเราให้รู้ว่าอะไรมัน เป็นอะไรอย่างแท้จริงเราฝึกษาแล้วก็ไปฝึกฝนให้เห็นอย่างนั้นบ้างจะได้รู้ตามพระพุทธเจ้าเป็นสาวกของพระองค์เรียกว่าสาวกะพุทธเป็นผู้ที่รู้ตามตรัสรู้ตามได้เห็นตามเรียกว่าอนุพุทธะจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ทุกข์เราทั้งหลายนั้นส่วนใหญ่แล้วพยายามจะหาความสุขกันนะ แต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านสอนให้เราพ้นทุกข์เราหาความสุขสุขแล้วมันก็อยู่ไม่นานแปบ๊บเดียวมันก็ดับไปแล้วเพราะว่าสุขเป็นของไม่เที่ยงนะครับแต่ทีนี้พระพุทธเจ้าท่านสอนนี้สอนให้พ้นทุกข์นะเพราะว่าถ้าเราพ้นจากทุกข์ไปนั้นเราจะต้องสุขอย่างแน่นอนทีเดียวมันเป็นธรรมดาของมันอย่างนั้นที่เรายังไม่เป็นสุขหรือว่าที่เรายังใช้ชีวิตอย่าง เปียดอย่างวิตกกังวลไปอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามันยังไม่พ้นไปจากความทุกข์ยังไม่พ้นไปจากความเห็นผิดยังไม่พ้นไปจากความยึดมั่นถือมั่นแต่เมื่อใดเราหมดความเห็นผิดหมดความยึดมั่นถือมั่นพ้นทุกไปจิตใจเป็นอิสระเพิ่มขึ้นก็จะต้องเป็นสุขอย่างแน่นอนทีเดียวนะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ต้องไปหาสุขหรอกเพราะว่าเราคงหามานานแล้วหาตั้งแต่เด็กจนโตบางคนก็แก่แล้ว ก็คงจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าสุขนั้นมันหาไม่ได้จริงนะเรามาฝึกฝนเพื่อให้พ้นจากทุกไปถ้าพ้นจากทุกก็ต้องสุขอย่างแน่นอนอันนี้นะครับนะอันนี้ก็คนอื่นก็คงมาร่วมเยอะแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะได้กราบลาพระพุทธเจ้าแล้วก็จะให้เวลาไปถ่ายรูปหรือว่าทำสมาธิอะไรตามสมควรของแต่ละคนไป ตั้งใจปราบพร้อมกันแนะ